บันทึกที่2การเรียกชื่อศีลห้าและธรรมจริยาสิบศีลห้าเป็นคำรุ่นหลังสักหน่อยในพระไตรปิฎกมีใช้น้อยแห่งและใช้ในกรณีที่ไม่แจกแจงหัวข้อเป็นทำนองชื่อเรียกให้จำกันง่ายๆหรือไม่เป็นหลักวิชามากนักเท่าที่พบมีในวินัยปิฎกเล่มที่7กล่าวถึงศีลห้าแต่ไม่แจงหัวข้อ และในคุตกานิกายปาติกวักกล่าวถึงศีลห้าแต่พอแจงหัวข้อกลายเป็นกุศ ล, ลกรรมรบวชสิบไปต่อมาในชั้นอัตถกถาและหลังจากนั้นจึงเรียกศีลห้ากันเด่นขึ้นส่วนคำเดิมที่เรียกศีลห้าในพระไตรปิฎกได้แก่คำว่าธรรมะห้าบ้างศิขาบทห้าบ้างแจงแต่หัวข้อไว้ไม่เรียกชื่อรวมบ้าง เรียกว่าธรรมะห้าบ้างสุกกรรมบ้างการไม่มีภัยเวนห้าบ้างเป็นความหมายของความมีศีลสําหรับอุบาสกบ้างเรียกแต่หัวข้อไม่มีชื่อเรียกรวมบ้างและเป็นส่วนหนึ่งของขีหิวัตหรือกหัถวัตส่วนกุศ ล, ลกรรมบทหรือธรรมจริยาสิบมีชื่อเรียกมากมายหลายอย่างและที่เรียงแต่หัวข้อไว้ครบชุด แต่ไม่เรียกชื่อรวมก็มีเป็นอันมากบาลีที่บรรจุคำสอนอยู่เรื่องนี้มากที่สุดคือในอังคุตรนิกายทัศกะนิบาศนอกจากนี้มีศีลตามแนวองค์มักซึ่งเท่ากับธรรมจริยาเจข้อแรกอีกหลายแห่งในที่นี้ท่านอ้างอิงคำพีที่มาในแต่ละคำไว้จำนวนมากนะครับท่านผู้สนใจดูได้จากหน้าห้